หมื sea, ่นยอแสนโยอเนี่ยคนโบราณรวมความสรุปเนื้อหาสาระคือขอให้ไกลนิพพานหมื่นโยอดแสนยอไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมหรอกพอเห็นทุกข์นั่นแหละใจจึงเบื่อหน่ายคลายความยึดถือเห็นแต่ว่ามันเป็นของดีของวิเศษมันก็อร่อยอร่อยไม่คลายความยึดถือหรอกพอเราไม่คลายความยึดถือ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 ตุเลตุเลมีสีขานะเอาไปห้อยอยู่ข้างบนนะไม่เอามาใช้เดินเดินก็ช้าสัตว์ชนิดนี้เห็นไหมหมาตัวเล็กกว่าเราก็่ย่อมวิ่งเร็วอย่างไอ้เหลืองนะ่ะวิ่งเร็วกว่าหลวงพ่อไหลเท่าโมเมนตัม um สูงนะเวลามันชนเนะโอ้หลวงพ่อเคยลอยกลางอากาศทิ้งเมื่อไม่กี่วันเนี้ยมันวิ่งมปชนข้างหลังนะงั้นเรารู้สึกเราเป็นคนนะเพาเราคิดนํา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 ดูไปอย่างงั้นแหละดูได้ดีแล้วดูอีกค่ะอย่าขี้เกียจนะหนูต้องใช้กรรมฐานอะไรบ้างป่ะคะดูอย่างท uh uh uh uh uh uh ี่ทํามานี่แหละใช้ได้ละค่ะต้องเพ่งต้องอะไรอีกไม่ไม่เพ่งสิไม่ต้องเพ่งมีแต่เขาจะเลิกเพ่งนี่จะมาเรียนเพ่งปล่อยมันนะแล้วดูมันเล่นๆอย่างงั้นแหละใจก็โปร่งโล่งสบายดีแล uh ้วนี่ไปเพ่งให้มันหนักทําไมล่ะไปไปทำมาคบก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 ครับท่านใจดีครับเราภาวนานะอยู่ที่ท่านหน้าห่วงตอนหลังๆเรวงพ่อชักหัวแล้วพ่อคนไม่เข้าวิเยอะครับได้ข่าวแนะนำท่านไปบอกให้ไปทำรั้วได้ข่าวว่าท่านก็ทำาละวเพราะฉะนั้นเราต้องภาวนานดีภาวนาไปขอบคุณครั บ, รบอส่งไปเบอร์แปดครับขอบคุณค่ะ